นาหัวใต้ใต้กายาเป่าตีอีกายยาเป่ายอมขสลองซิมสมบักน้าสีหวานเปอต้นตางต้นมันสะสมตางกันมัักเสียดางกันเนาะยองยแอนเปนนี่ท่านเจาะปากมีสาท่ามีสาพิกลเลื่อมใสพอตรีเนี่ยงแอนเลยน้าเราทำมามาเปลี่ยนท่านสาท่ธานนำธรรมธานนำชินาตีการให้ธรรมะเปียนทานย่อมชนะการให้ธรร วางเพื่อพาให้ิ่งให้องให้เงินให้ทองให้ลายกัเพื่ลายให้หน่อยก็เ่หน่อยแต่ว่าให้ทามานเพื่เกตเพราะว่าทามาเหตเหตเกิดปัญญาเหตุห้เกิดแสงสว่างฟังเล้วจาได้นาไปปฏิบัติธรรมสิเกิดความสุขจังสั่นทางขณะยาเพื่อกเลยมองเห็นความสาคัญในการทบุญในค้าวคังนี้อายสรุ้บาาจารย์ แสดงถ้ไใ้ปราโรเบื่อดของการที่สองอของการถ้ำปูอุปสมวัวสัตว์เถอเรียบร้อยไปแล้วนอวันนี้จะให้ข่าสการเทศนารรมสมมุิสมัญญาสึ่อการและกันเป็นธรรมบันเทิงอุบาสกันสุขหอถ้ำหมากแล้วอย่างโน้มบาง ก้อนอาซีวอนคนจักคือว่าอาซีวอคนเคยกรคแนะนําให้ญาตย่อมดูจักกับครูอาจารย์จับหน่อยอ๋อสำหรับลูกพ่อที่เทศานิสม์กลงไปพระปูสุนทรสุตเกียิธรรมเพื่อในจังหวัดภูมิบุนีจัตวาปัจจุบันนี้จำพรรษาอยู่วัดธงศรีวิไลบาทชีท่วนนําบนชีท่วนเําเพื่อเรื่อในจังหวัดภูิบุรีจัตวา มีทำในมรอมเจาคณะอัเพื่อเรื่อนให้จะมัดผู้บนเป็นนักเดชสื่อเสียงลงดังานะาแล้วจันโมการุากีล้มพอมานี่นักเทศมาที่เสียงใส อตาตมาพาพระพุสารคระท่องสุษษษจักจวรโรบาเกิดเมื่อนอนบ้านวัดต่านตำบลหัวตัท่านทำเพิ่หัวตัท่านจังหวัดอำนา จ, จเจริญปัจจุบันปีจำพรนศาจุบันพันปีเดียบบานกจากจันร์ตำบลเมือเมือำเพิ่มเมื่อจังหวัดอำนา จ, จเจริญ ทัดไปท่านกําไปปุ่นปราจรมามนตรีถาวารบปันเกยเมืองรอนบานคนเมืองมาท่านอาเพิ่มวงสามสิทธิ์ยังวัดอุบลราชธานีปัจจุบันนี้จาพันศาโยบะศีมิ่เมืองตำบลเมืองเหนืออาเพิ่มเมืองยังวัดศีสะเกดกันเองห่วตองเก่งแก่กันกุลายุ้งอยงแหน่ล้อก็เคยมาเทีย์กลายเข้าฟังว่าดวนวานาธานีแต่ย่ายน้อมกัคงจะลุยจักดีนอจักรสัน เมื <cin> <true> <os> ่อหกแคล่ว飒แคล่วสามก่อนเสาร์้าพ่อยังอยู่ดีหันเขามาฟังแม่ในท่านนําสามสากรน้ำเอามาฝากตอนกายุมเจ้าปู่สุคนตบล่องกันเรียบร้อยแล้วราเชียถ้ามาที่ท่านเรื่มเข้าบามาเด็ดในย่อมคอยย่อมจะ้องกองการกุศลวนนี้เป็นยังจังหังเข้าบาดดังนั้นก็เท่า บางครั้งบางข้าวอสิเหตุนี้อังโดยบพราะเด็กดังอกังใจคิดแต่ว่ามันสิเหตุบาปเหเนเต้หน่อยมันก็บาแล้วก็จะนั่นคิดผิดเยอะโยมเยอะก็คิดมาทำมาเหตุหน่อยกับบาปเลี่ยายกับบาปคือเก้าเหมือนคนพอเห็นแต่ว่าตมันจะเห็นมันกระับอยู่ตลอดเวลาก็จะนั้น จำงไรจังบางนากบาปขอเชิดหานโนมได้มาสรับรับ้างมากแรงสันคันนาทีการน่อบมากเรากินขอบรัวดน่งันานขอบขัวสือวานาสุภัทค้าเป็นม่บใหม่ัวตายปีจาเปลียนลุ่หน่อยต้นต่อพ่อพอมีสือวาภัทยากำลังเป็่นบากาลังเป็่นไว้ตุ่นกำลังอยากะมู่กาลังอยากเทนเจ้าสร้าง เอัอมรมภาพมสมบูรณ์เอ็มนาทีเป็นน่าสุภชาเป็นแม่ใหม่หัวตยมีจักอาชีพการงานกับขากับไทรเล็นน้อยๆส่วนลูกชาย่ก็เป็นมีนาทีเลี้ยงแพะมีแพะอยู่เศร้าก็โตกับนาทีกัเลี้ยงแค่แพะนั่เพื่อได้กระได้เนาะเออวันนี้ส่วนนาทีของ พัตทิยะอาสิบอบนาทีนิสเหาุการณ์มนตรีเป็นผู้รับนาทีศวนหลวงพอพระผูสุนท่อนสุนุกิจสิทวายนาทีพระอิเทระอุบหนึ่งสุบาธรรมมาป่าละเป็นเป็นพระผุโด่งเปน้โดงไปเรื่อยๆเห็นคนไทยสมควรบาสิจำท่านสาธิตสารบุตอย่างนองภาพจำท่านสายุวร่านนอดังนั้น กำเอนในม่านจำพันสาอยู่ที่มัวบ่าของนา่งสุภาพาอยู่นั้นเอ่อได้เขาบินเท่าบาทเพื่อเจ้านังสุภาพาจะบ่าเพื่อเป็นไปจำน้องดังนั้นเรื่องเล่าสับงำเนินไปจนได้เจ้าหนี้ไปก่อเชิญญาณงมได้สารรับตางข้ามดีท่าเรือเท้าบาทดัาตมาภาได้ดาเนินตามบุพการยุทธของกอนสืบต่อไปก็มีนาการาบานี ทะเลน้องเสียงประยุกต์ใหม่ขั้นว่าแจ่มเห็ตืึงไฟขั้นว่าใสเห็ถึงแก้วปั้งแล้วให้จือจำ บ่มาเทิดวงลามทำลายขาความค้าสอนน้ำบดล่อนกำลังหีบปิดมากผ่านน้อยแชมเตบ่บังคล้องโรยโชคนงานขนาดเอกย่าเปล่าเกือหยอกลอกบาดย่าห่อแหล่อยลอยเศร้าน้ำเรือดก่งกิ่งจนเข้าบดเอาตือนเปนคนยันเอาคนงานคดีนักกระบ่้าันใบให้มัใส่ขี้แก้ววานี้ชั่วลำขาบ่อเที่ยวเกาฟ้าตั้งอสาเรยออ่างตั้งทานเทีลาแล ในเมรีสาอาจารย์นะแม่แล้วท่านกอดเรืืองเงาบาะยษาบดังกอให้รอตังกอฟังเงาที่ยังกัดเสพเห็นสนเงาสาสา เ, าเาสงาข้นพ่อสีหหูกนรููส่วนเงาบาปบ่อโงสิงเป็นแพทย์ยังไร แามละจั่คือไวยกะกี่แห่งคําสอนทิมพ์ผ้าปอประท่านพลังสมองออกมากแล้วคณะสามกีเสียงข้ามนั่งออกมาเผยแผ่เปิด้องเปยวเ้ามองเห็นขั้นที่ราวเปิดเส้นมัานต้องติดขอรอยเพราถอยลำต่ำบุดายข้ามเจ้เจ้าพระลานพระผู้สังสารต้องสุขเป็นผูวนาทายพจประปร่านหวงปอพระผู้สุนทอนเสียงสวางม่านอยกันประคองคำการพาหาม้ีผิดผูที่ปั่นหน้าล จำเล่นนะตามนาทีถึงเวลาพอดีขอเชิญญาติรอมมาฟังเรื่องตอนนี้ทา่าอาทิตเตกาเรียกีรัิในอดีตกาศนานมาแล้วน้ำมือบ้า น, บนประจันตคาม มีพระวิสูโรโงคหนึ่งซึ่งความรักอยู่ในโมบ้านครังหนึ่งยามเช้าพระคุณเจ้าก็ค อ, อยจออเกาบินทบารและได้รับอาหารบินทบารที่นาบ้านของอุบาสิกาที่ชื่อว่าสุขทาเป็นประจำ ตา่างพิบาสามในวันนั้นก็ได้นุ่งสบอ ง, งทรงกีวรส่วนวามทั้งสองก็คุ้มบาทถึงรีลาดไปสู่พิขาจานตาถากาเรนเรนกานั้นกระดับถึงอุบาสิกานางหนึ่งชื่อว่าสุพัทธาเป็นผู้มีความเลื่อมใสศรัทธ า, ต, าต่อปวรพราะพระนัสสนามเป็นอย่างยิ่ง อภรรภาเกในการต่อมาเวลาร่วมไปผู้เป็นสาหีนางได้ตายจากเสียเหลือแต่นางกับลูกชายที่ชื่อว่าพัทธิยา อาชีพการงานก็คือค้าขายส่วนลูกชายนั้นมีหน้าที่เลีเเ้ยงแพทย์ไปองประจาเอกที่พระสามยู่มาในตอนเช้าพันหนึ่งพระคุณเจ้าธรรมาปารับก็ขอยอนเข้าไปปินขบาดนาะงก็ทำบุญไม่ได้ขาดน้อมถวายต่างรูปไปเสร็จแล้วกลับเข้าสู่บ้าน เพื่ อ, อ จ, จดเตรียมสินของไปค้าขายแต่ก็ยังไม่เห็นลูกชายตื่นขึ้นมาช่วยการงานทิงไขข า, ขานเรียกห า, า, าลูกชายของตอนออกไปว่า พาทยาหรือตื่นแล้วอิมากนี่แม่มีนวสิเาตอหรือแม่ค้าเต็มวังนเสืรอกินวอร์เบเปันเดสีเ่าดุเปลาตื่นล้ยเปลาตื่นล่างห่านำตาเ่าใส่เบียบเ่าใส่งานสั่นตัวโกราตพัฒนาเตือนเ้าได้น่าายตืนสายได้นาน่อยทุระมียาทิมคอย เตือนแต่แม่ลูกตาสงาเออหวังเตนสายแตลูก้เตือนเด็กินก่อนอฟังก่นอ้อเไรนั่ป่านดมาควมดอกรวมบุญสาระนราเข้ตองดอกสิ่งขอมาทักด่วม ได้มาร่วมในมาสางเอาบุญวอประมาเสฉลาดยังยิงหล่นบ่เสียเที่ยวที่เกิดมามีสัตธาแก่กล้ามเที่ยงบ่เหินอย่างสัตธายาสัประยุทธ์บ่าบันไว้ใจแน่วเลื่อมใสในคุณแกวสามประการว่าเลิอดจริงเสือบาปุนว่ามีจริง สวันดนรุ่งขอมีคุ้นใจพอ่อมเป้ตนนำล่า ย, ยมโยมโมดีและปินเมืองตนประทเมตการน้ำบุญนต้องมีใจศรัทธาเหลื่อมใสจังคำไดวน่นเดือนกำนดไปหาแนวงั้นมาสมโภชในสนุกคลึกเรืนคลึกเรืนคึกเรือนใ้นีนาดอกซหรือ เทหากวาสูุมือดียากนําพวกตีกันกันยมเลยจ้างวารําหมู่มางั้นจ้างวารําสิ่งมางั้นชาติเกกันจนวายบุญยากนําสู้ไวรุ่นมันตีกันดอกวันก่อจ้างตารวจจ้างสอหอ ให้มาคุ้มกับ่อยานมันสีขาหอดผัวคุ้มนะยามีหุ่นเจ้าภาพนี้ตั้งแต่คุ้มแต่คุ้มแต่คุ้มกับจะเส็ดเท่าใดเนี่ยหลอบหัวในอื้งไขแต่เอาหมอลำก่อนแบบแต่โบราณพุนนะ หลับปบ้อมิไปมาไหวบุญสบายใจดอกไหวางบ้างแล้วม่วนอยู่ในสุวรรเรื่องบุญบาปแต่ทราบมูป่ป่าจ่ากลียนแกงกบวนน้านายโยมเลยยวมกันเสียดียังเลือดดวนดอกหินม้วนสุขสรรป้อฆ่ากันป้นอตีกัน กันให้ในม้อนเราพระนักเคีเสียงจะลองหายะรับประ ก, กันรับ้องได้บ่มีกูใ้ใดหอบสาสเด่นดอกกันยุมเอื้อหนใครเจตนั้นบอกพอ่อเมื่นบอกพ่อเสียนนะแล้วบ่คือรั้มเด่นดอกฟังแล้วกับพไ่ไทย อีท้าบุนก็สิได้เต็มกวาเตรียมกำดีควาการฟังลำมันตางการเป็นพันเท่างานกวามุนงานแจกเท้าบู๊กัดินบุญประเวท มนพระจนีแต่หน้าปลาได้ดอกใหญ่หลวงนำผนจากโกกักวงวงาา้ ง, งวางบากพญายุ่มีแต่ความสุขสมอยู่วีมังฝันยามเมื่อได้การอาบุญที่เป็นลนาวา พระมุมบะจมแองบุญ right ก <wo> ุศลที่ยุมเตงกาิพ้าจุนสุภาหันสัวชสวานยืนยันเอาเพราะฉันจงให้มันการทำบุญไดยยุ่งดื้อเพราาดจุนเจ้ที่เกิดมาเป็นคนเลวโอ แมนดีซาลดวซาเต้าเจ้าภาคานระมีบุญศิลกินทานอย่าลืมฮห้นมาทีดมอรมนันยาสยอย่าสมะเู้สุขภมอรกัขานรานี่มอรมายเฮยยม มีมณฑ์พระมาเที่ยนีปวดผูเจ้ากษีพอดีอุมลูกเต้าขอบศาสเดนเดนเดนเๆ น, น, นคือฟางลำอ้งอีกอันหนึ่งกษีพอดีกังวนคิดว่าู้ได้สีมาขาดอันนีสน้สวยงามนีเต็มอาปาสัมมาเพื่อนทิดบอกพได้ดอกเดตตมแดตตม ง, งบาวให้ไล่ดู นั่นนายโยมพ่อโยมแม่เอื้อการฟังเทศดีกวดขู้เจ้ากระสินี้เน่กระแต่หอนแต่งวงปวดหวัวเข่าเงานอนปวดแขนปวดขาเบียนบัาการโยมเอื้อ แต่พอมีป <c ười> <c ười> ัญหาตามาสิบอกวิธีแก่และยอมมอย่อมการปังกันดีนะการมันเอากันมั่นวางเมื่อราซาละเมื่อแถมสมบัติแถมสมพัติ แถมสะสม้านเรือไปเรื่อยเรือยันความหวานที่สงอิงสันนอกนั้า เมื่อจะสืบต่ออนุชนที่แสดงพระสัตวรมเทศนาเร็โรกาสบันีธรรมภาคได้รับแล้วซึ่งแา จ, ะจะนกรรมกรรมสมมติสัญญาสัญทานุมาจากพระคุณเจ้าธรรมาตโนนว่าให้ตรรมภาพ ร, ารับหน้าที่เป็นทัติยาลูกชจยของแม่สุภัทชาตามจะได้ดาเนินหน้าที่ของตนเองสืบต่อไปซึ่งมีใจความว่า ส่วนพระที่โยปณ น, นะป่ายว่าพระทิยากุุมานในเช้าวันนั้นเองในขณะที่กำลังนอนนอ น, น, อ, นอยู่นั้นได้ยินเสียงผู้เป็นมารดาได้มาเรียกหาก็เรียกว่าจังช้าตรูอยู่ก็จริงได้ออกตัวเผยวาจาตาดกับผู้เป็นมารดาพร้อมตนออกไปด้วยความไม่พอใจออกไปว่าโอ้จะเป็นลำค้านด้วยกัน แม่เอ so ินหาตัวให้หนังเดี๋ยวนี้ใช่นอนบนแจ๊บโบกสองโบกก็เนี่ยมันสวยแล้วมันสวยแล้วตั้ความละเดียนยิ่งด้อสีเศร้าสิสวยเไลยกระซางเป็นหนังแม่เอ้ยสาดวบ่าวมีแนวเหตุเดียดงานสวนหัวแค่เศร้าโตที่ผมเดืยดนั่นง่ายงดจองคอยคอยก็ะได้หรอ เรื่อขายของเด็กๆหน่อยๆเป็นงานเจ้ามันก็เกี่ยวกับผมเด้๋ยวแม่ให้นอนอีิง่นจค่สองสามชั่วโมงก็เด้ไอ้สั่งลายแต่บุ๋ยเอ้ยเจ้ากระซังบัวหอนสินอนต่อจังไรกันเสงนตะวันท่นสายสัตว์ท่อข้อมหอนสังสินอนคือส้งลาเอยเวลาเก่งสีบัวจะให้พูดมากเกี่ยวลายน้าก็ให้นอิงเพนสองสชั่วโมงก็จะเห็นว่าเขาใจหยาบเดี๋ยเอาลูกก็ลูกๆก็ลูกที่เป็นร่ำค้านด้วย ป่าติโตแม่มุกสวยวัยเลยตุ๊กตาอีกอันทุกท่านก็ับผงขวาลงวันหานหนึ่งแต่มาหลนเราดีกินเอาตั้งแต่แก่แก่พอหลานแม่เราหนาไปเยียดแกะเลยตะวันดันแกะหิวหนาหิ้วนั่นหิ้ยานิ้อาหารมันเอาเฮ้ยจะได้กินเข่าก่อนเราเว้ยข่องจับไปมาเราจอแจกดู กินเข่าก่อนจึงสิไปเีืยดแปรเพราะว่ามาเคลื่อนที่ไปเทียวเด่นเบิ้องดนตรีน้ำหมูกะมาเขือก่อนจีแฉงเข่าแรงนั้นเพาท่านเด็กถิ่นแม่แม่หิวเข่าแม่กินเข่าก่อนแล้วจิตไปเดือดแพรแม่มาสอบกวนเลยเข่าถิ่นโอ้หวั่นตัวนี้ยุ่งกันอยสองสองครูน่าหว่ไม่อย่างแม่แต่แม่เมื่อนี่แม่ไปตาแสบบ่ต้มกับกีบเอาหวยนี่ก็ต้มตับทูบหวยหวยนี่ก็ ปลาทูรากินบอว่านี่กะปนปลาทูเบอ่ <uh um> ์ดีทั้งต้มทั้งปีกมืออื้นสีเป็นอย่างแัลยคืัวันสีนี้เนียเอยูหลาโอ้ยป่าปลาทูแหงแลแม่เดือดเดือดเบอร้เอ๊ะเอรดกินนั่นต้ปลาทูก็ปีกกะปนบะปนกะแกงก็แกงกะหนึ่งยู่ว่าป่านั้นเดียวเจ้าเห็นบ่หนาใส่ก้นหนาเจ้าหมัน เป็นมันไก่หนาะประทูกับไปทุ ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก, กมือทุกมื่อตาใสกับตาเจ้าเน่ยมันโลดโลดโลดโลเคื่อับตาปลาทูไปเดี๋ยเมี สิคือนกันตัมถอดยาอ่อนกรตามเถิดกินตามพีตามเกิดแครมันดีแล้วยาอ่อนใจตกสมัยยุคดีเงินบาทอันร้อยตัวถือเกยวสัวไอเดียบอกค่อยๆกิรัฐบาลมาเปลี่ยนนีประชาชีปก็ค่อยยากก็ลำบากก็สูบปรายัดใบซอยกันจัดตัวรแล้วใหิดเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อจิตจหัวใอยู่ดอกตามพี่ตามเกิดกินเพื่อยู่ยู่เพื่อกินกินเพื่อยู่ก็ได้ยู่เพื่อกินจวใอยู่ดอก เม่อปลาคอต้นผมใหญ่มากหมกกอนเกี้ยนอีกม่อเออเออเมือที่ดีละผมจำได้ล้าปลาคอที่ใหญ่ที่สุดต้องากคอติ่งปลาคอปลาู้ที่เบื่อล้วกินปลาโลกแดาวออปลาเบือเดาเอาเบอจะไหนเจ้ากินผู้เดียวมันเ่กินโทปลาคอตัวใหญ่มื่อไหร่ไม่ได้กินอ่ะไ่ได้กินมันสิบปอร์เซ็นของปลาเบือเอาเนียี้แกาัน เนี ê, ่ยยังจะหามานี่ตีไปยิฝานนยับยืนสวยอย่างนั้นก็ไปนรพอคนลยิ่ฝาแบบั้ก็หลวงพ่ออ๋หมายกวว่าจะไหนเดี๋ยวงยเียอ้าวกะเมียไซบาแล้วไซบัสโซนั่นโอ้ยเมอทั่นก็ยังไลไซเ็เล็คน โอ้ยแม่เลยแม่เจ้าเป็นวางแตงตแต่ผา้าแม่เอ้ยปัดลูกเจ้าของน่น้ากินตั้งแต่ป๋าทูป๋าคู่ป๋ปาแนวดีๆป๋าคอหนะ้าป๋าคอสาเราไปใส่บาทรเห็นไหมผ้าโอ้ เ, ออเอสียสบาจังสัง่นตะล อ, อ้อยใส่ไปแล้วก้าสาถูอนุมโมท น, ะ น, น, น, น, นาสั่งตัวจะมันจมา่วาน้ำเป็นบาปเป็นกรรม อาขันว <Cornell> ่าผิดจากาก็บม่ได้ออกไปขอให้แม่ใส่บาทากระานทเราล้างสาตัสาแทงหวามันเดือดก็สาตัวสาแทงหวามันเดือดก็ไม่ใช่ครเนาะก็ให้คอยเชี่ยแต่ฟาจะเนาะพี่น่อเว้พี่น่อรันแงเ้บน แบญสัาไรลาโศกคติยาฤกษ์พระพิธีกัเจ้านาซามีว่าทางพาไปแนี่นันข้าพระเน้วน้ำซานภูมิศีนสูงสองจวมจากศีนบาสิต่อแม่ขอร่อมยาสีขานของค้าท่านทวายไห้ต้องเป็นเนว่อันกลาดียาได้คิดเปียดนันภาาสามศี่าเต็มตัวลาเอ้ยการทําบุนข้ามท่านผู้หนึ่งท่านไปกระาุนน้ำกันละเนื่นเดียวกันยาเบาสีเท่าแล้วไม่สิเป็นฝา ว่าแฟนหลับปัวป้ายในอดีปัญยากาขาทุงแกงวิสัยโลกกับพันผัวนนำหละชวันว่าผิวสลดใจวิเวกบังเวงมือ มองไปบนนาคาป่าอุ ป, ปมาผลเพีใจกี่เดตทอหุม่มมาหุ่มไปก็ดังกันใจของคู่นดอก่านั้นรรมจาจัดบริสุนนะ อาวนาสิพองใสหรือโทงสุดสว่สามกะทำศานญขอกำดีใจก่าบ้างโดคงค่อยขอคิเรธสำจุริษสัากะใจเซารอกเก้ามองและพวกปังเอ้ยคือดังเมกไม้ป่องในต่องเที่นะนาป้าดวนตัวสักวนมวนมาโดดดังเดียวโดยอาง ในตอนนีหันมาฟังโูกกรรมสางอกุศลกรรมไฟัวจารีนอกคิดลายมานุน้อมไปไฟเสียนนำใจถลำตั้เชียบาสีจ้องดึงชวดแม่ใหญ่นมนโษย์จำสีจำารดถกละจมโสมหัน ขณะตอนนี้ฟับงบทตอนสุนอรขอพิมพปากขอเปิ่นแตมแต็งอาตมาเจ้าหัวลานจานมางหะโอ่ตีรับบทการสแสดงขออภัยทุกท่านอย่าสร้าง ข, า ข, อ ข, อขอ่าวขูว่ากอ มีเก้าลูกชายผู้กระดอนพาทียาผู้นำไข่นาลูกคนดีของมารดาผู้ที่คนอยเวียข้างควากระซ o สามบรวางผู้เป็นแม่แต้เป็นหนลูกกำปานต้มต่อพอบมีเห็น แม่ใอยอดีตหาังกัรกอนที่ตอนที่พ่อพ่ท่านตายเบียดทั้งหลายบอกเครื่องน้ำควอแม่ทั้งเพียนเดียงพ่อเพีแยนใจตั้งทัตามพ่อแม่บอก เอาใส่ไปใส่กับพ่อการงานส่วนกูส่วนวระบัดหนี้พ่อได้ตายให้นีจากแล้ว่าพ่ออุ่นดอกอุ่ผลนะอีต่างชนจะเลื่อนไว้ใหญ่กระน้องสมบูรณ์นะงานทางกว้างจะคดสวยนะงานทางกว้ทง่ะคดสวยแต่หุ่นนั้นพ่อยากแตียงสาลื้อเล เดียวลินไปน้ำเพื่อนผู้สหายน้ำเมียกจังได้หายแต่ย้อนฟ้าบว่าซาปัดน่อยใจมาข้ดาดังนำตากัดกูิน้ำไปฮ่าชุ่มชูเพื่อนพราระบายความเบาอ่างมองจู๋นอสั่งมาสนสื่อกะบ่เหีนแมีใออยน ร้าังเกลียกกินน้ำข้ากินดอกว่าจะไปใสมาจุนยามสองจกย่องแยงข้ามบ้านเสนดํากันแม่ตามซอยขพอป่าพอออกควางแลบอกกับพ่อใดไปสีซอกับพ่เจริญนเอาเมื่อที่โดนยิงระเวอยอารมณ์บดเงาหงอยเงียบและลูกบ่จอยเหลือเกินเพื่อละอาวุธเอา นาอากินกเขาแรงความอยู่จำจำนะผัเป็นแนี่กะด้อเอ้ยเอาใ่บาดให้แม่ทำกําบาวโดดบ่บินนะพัวงเ้ยกน้ำหัวงเหน่ เกียรติดากุตตจากสังคุนหรือสังปาโดดหุ่นไว้ใจหายนะโอ้ยสังปาหลายในวันนี้อาหารดีบ่ได้แดกภาษาแต่กนจอยนะอาหารหน่อยโหลดบ่เหลือเมย์ใหญ่ตื่นนะโอ้ยียิตจังสีจนดำเพื่อหลายเพื่อแต่เก็บกดแคแข่งใจโวดดอกมา แม่ไายบอกด้ยเบามือดีเศร้าเดวขันตีไ่อ้เลยเป็่นขันเตี๋ยเ้วป้าแดกแห่งเมื่อซ้าสิฟ้าจาแต่ย่างเดียวนำในมือดีไปสิฟ้าขวดเกี้ยวบอกความเกี้ยวว่าน้วานกูเก็ดในใจมาโดนบาดใวันถึงมองมได้ก่อบพี่ห้อนเด้เลยคนใหญ่ใหญ เป็นจ้งเปลี่ยนีกกวเสียเปลี่ยนพระ่ว่านยังครับเพราะว่าฝ่ายกระตื้นสวยชัว่วฝ่ยสีตื่นมากเลยเนียแล้วเบบอี่ดีแล้วบใส่าใาาบาทแหพระเขาดอืมหัวไว้นีงามงามหัวงามงา ม, งามแล้วกบเอาไปใส่บาทหพระนามหัเจรรตื้นหลพ่ท่านเมื่อนี้ก็คือการสกิลขอกับปิ่งปากอคอกระโปรงเอขันมาใส่แบบม่วงเทอม เก็บ ม, มา่ส่ซีหาวยม์มบูไปยูหอยอยูกระตายูสั้นเหลามาหากับอกหินมถามไปพ่อกว่าของขอาบานจะต่อไปกับของข้าวหรอวใส่ปิ่งปลาอแ้ว ก, ก็าแดดใส่บะหวงซุปขวดอีพอทีิกินบะหวงซุ้กบเข่าพอจะมาเขียดติพอมาเกียรติไม่คันตีขวดเป็นขันแต่พอสีรากขาแพ้พอสีเปียนอาหาร แพ้มีอยู่ยี่สิเอตมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นแพะเตว่ดามันมาย่อมเขามูเขาผมมันมาไปเข้าสวนพุนานสวนบุรนมาไปสร้างปัญหากอปัญหาคอยอยู่ประจำเพราะฉะนั้นเมื่อนีกาเอาช่วงที่แม่เป็นเชิเผือเป็นบริส น, นทธิ์นกสนใจกอดชิดไรแพ้คงนี่ต้องไปกุระคงหน้ากุระจีเกยไก่ไกพวกพวกห็นล้เดียวนิเสียงมันหงไวลาข่อยตีหัวมัน เส่นเดี่ยว่าเช่นเดี่ยวสอยเดีวสิเปื่อนหัวหมูกอง้องสันไม่หลุดมักกินน้ำกัดมัโจ้น้ากันกันแดดจ้าวข้านมีแง่เป็นปัจจุันเราสิเป็นภูลาเช่นเหล่าเช่นเบียร์กอปพลันกองทุ่นภูลาสิมาลี่งูเงินกินมันซ่าใจมันเจ้าสนะขาเงิน่ะไรที่เรากิ่งพอไปไปกินหมดโอ้คนในมือดีไปสิว่าหัวเหี้ยว บ่ของเกี่ยวนะบ่ควรคิดในใจมาโดนบาดมีหวนตึงมองมาเอใจพ่องเอาไว้คือการย้ำใดยสีขาแปี้ยวซอยเสียในตอนนั้นพัทยากุมารกะลือเลยตัดสินใจสีขาแปี้ยนอันจริงแค่ปวดว่ายหัวเบี้ยไหอื่เออนะ ด่วเดาด้วยอิ่งยานเดียว c ầ พกอแพเดาเดห์ห์นัมลางกาจัดนันลายออกไปให้ไก่ตาบ่ห้ยมานดาพอนตัวพ้าหมอดอบีห่วนเดียนสมควรนเดาเอาพอนมากตีนัมไอ้บ่พึงเสียงหมดควาดอกเสียงห่อยกับบ่หนีไ แต่ก้อนตเ อ, โ อ, โ, อ, โ, อ, โ, อโอ้ ย, ย น, น่ะกอนโตนากำนำที่เอามาสาดดียกันตา กุมารในข้าแพ้แล้ลก็ได้ไปเรียกเพื่อนถูมาแรกเนื้อเถือหนังแล้วาาก็กลับเข้าสู่บ้านของตนเพื่อจั ด, จดการทำเป็นอาหารเพื่อจะสังเลยความหิวในวันสึงต่อไปก็มีอากาลไร้รังนั้นเลย วอาเปล่าไม่ไงเรื่อยๆเปลาแน่ก็ตื่นหนัตื่นต่างตื่นตางเอาหมดนแต่ผัดหมูไปเอาอาหารใส่บาทเอาปีศาจใส่บาทเอาบองนมใส่บาทลูกไฟหลอกเอ็นเจ็บหมดอย่างไงไม่ไงเลยเจ็บยังไหนก็โมโหนโอ้ยปวดปวเสียวเหี้ยมมากใจโดนกินโดนใจเลยผู้ขาดแน่นอนอยาให้มันแกไปไหนก็นีเนื้อสาดดเน้อสาดด เจ้ากล่าวฝยพระทิยากุมานหลังจากที่ได้ค่าแค้นแย้ไินมเบาะเจ้าสาเนี่เป็นหลกสาตูเป็นสมองก็มาข้างหลังมาเอืางหนึ่งข้างหลังโอ้สาตูแปลว่าดีแล้วเอาเอาเอาแหวนตอนสาตูบ้างแมนก็นเม่ยห่ิหนังหน่เจ้าเห็้เบาะเป็นอยู่นี้มาก ถึงยาแพทมาจัดการเตี้ยอาหารร่องดูเบือป่าทู่มากก็แห้งแล้วมากมากลาบแล้วหรือสิ่งแสบบอกมาเลยพุ่มเมลหรือเจ้าสิมาส้อยแซืใส่เพียผมลาก่อยแกงจมแกงต้มจีจืดมากแน่หลายแมวสิ่ต้มเปื่อยๆกระแห่แมวของแสบดีไปซื้อมาจะใส่หลายท่าบปลาปลาปลตองถานตองสอเอามาจะใส่กระต่างสร้างแมวเอ้ยมันบอกกีอักีต่างหามากให้แล้วจะ เอโอเวอร์มากลายเจ้าหนัดยุทเราพ่อต้องถามทีไปที่ผ้าดอกจยาบแนี่ยบอกมาเลยสร้างมาโลดโอ้ยมาสิถามก็ได้สงสัยกะสอบเบิ้งเสร็จพอถามแต่ว่าเรื่องข่านามพ่ต้องวงบ้านด่าพ่อต้องไปหามาสิ่งใดทั้งสิ้นแม่บ่านผีดอกให่ทุลาห์ที่สิบล้วนขอรลอกปล่อยที่ลูกสาวแม่เห้ากลงแงแม่มีทุลาห์วันลูกแม่มีทุลาห์อี๋ว่าหาป่วยอาการหนาโหยหญ้าป่วยหญ้าปวย ปัญาควยคือิิเป็นหลายธาตุชราหา้าต่อแม่มีตรองดูตทวเพียสมควรสิษยไปเฮงให้ลูกอยู่เ้าบ้านสร้างหาเวมมาอย่าเรื่องมาเ่าเดื่อหนึ่งใส่บาทรระเพิญผู้เนี่ยโคจรไปเตรียมถวายนอนอย่าเรื่องเอหลายเรื่อใส่บาตเทนเมรบอต้องวงดอกเมรบต้องวงไปจัดมือกรเดือเมรเรือเจ้าสิไปจัดมือไปจัดขึ้นกับบวร่วนบรลุภูโยบานสิ์ท่าให้แต่ท่านดอกไปได้หลายมือกระเดืองเมร พูดละอันพูดลให้ไปสบายหูไปโดนๆเนี่ยกจะไจ้านึงกับพูดละับบาด้าเล้่ยวจังมากอไรอเงี้ยมันคือ่าดจังซาดตักบาดยาจังใดกันเล่านย่างเ่าท่านตายสารภาไปแน่ับแ้วยซื้อๆะท่านเดตายยไปสาบไปแซงแล้วพ่ผมบริษับไปแซงแล้วผเป็นสาบเป็นแซงบอกเป็นตามสะเข้าเนตามเดื่นงตลอดเนี่ อกกุหลาบแจกเจ้าแล้วละเม่ิฮังเปล่าแจะสิขาวไปหลายวามเศร้าขาดห็ดปิดเนื่อนยาสะเทียนจะท่านอียาชาเลี้ยชายรเป็นเน่าจำเว้นเพลศิเก่าสวนเพินถ้ามากินทาบาสเสาร์่าลืมเข่าใส่ขาบาอยาลืมเก็ดเใส่ปากหลักงาเออบอคับมาหมดเออพอลืมเด้อพอลืมเด้ บอกนำบอกนี่เวยยนพาตายเพราะกระดกกรเดียกแค่สมมตบอกจำจีจงทีจำใช่แค่ต้อมจักรยาเองบัตรน้ำไฟว่าจจนายสุภัชจะต้องจัดเรื่องถวายให้ขายหน้าอืมบ้าเลยบัตรนี้หน้าที่อันสาคัญมาหอดเลี่ยวเป็นโอกาสของฝ่ายแดีวที่แม่พายุท่า น, นอยู่สั้นสร้างหน้าสร้างหนาตัา้แต่กว่านี่อบอกว่าจะเริ่มได้ใสีาบาทใส่าบา ท, าบาทแล้วก็กรตื้นขึ้นมากก็กรตื้นเดีย๋ยวจะเสือ มือเขาตื่นมาแต่ตีสีมาตดไฟหนึ่งเขาเข่าเขาอ้อมหนึ่งแล้วอหอมจะมาเกิดเสียดายเขา่าสองอะไรนั่นทำไมเหิเนเข่าใช่ปะ่ะคอยที่แปดขึ้นมาโอกาสของฝ่ายหน้าที่ท้องมาแล้วก็จะไดีแก่ค่ะก็จะเรียนเช็ดก็จเรียนย่อเยอะค่ะเป็นไปนะทราบแม่ไอยู่พอได้หอกพใส่หัวหอก เขานี่ยเาเอาใส่บาทแต่ว่าความสชี่ยแนวอื่นใส่เดี๋ยวไปหาก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยนเจ๊อันหางปลากอเดี๋ยวติดผู้ฝานนี่ก็หางปลาคอเดี๋ยวไปทางนั้นเน่ยสากระเบือโขโรอยู่เงี้มันจะมาบอดจอเถบ่นีรอันนี้ก็หางปลากอเดีนนี่เงีนตัดแต่ก็ติดไปฝานี่ก็สากระเบือชีสวยๆสละลายพอเชียาสากระเบือใส่บาด ไปจีบตอง ก, ก่อนจีบตองแม่แล้วก็เช้าตองคอสาพี่ดีปิดมีเส้นเอาหางปลาคอมัดตอเห็นไหมเป็นครึโตปลาแต่โพกแค่หางมั่นเส้นแล้วตันนนวนะี้กัเขาเหะพีกเขานิแล้ว่าเอาพีกเขาอยนะู่ล้วแค่เราถามปัจจุบัพคอแจวบอกึือคอประลดอย่างที่จริงแล้วมันเปลี่ยนบพี่เขาอยู่ทางนีนีาหน้า ใ่วันนั้นก็จริงไปได้ไม้ตำพริกแล้วนำมาผอ้องกล้วยเหมือนติ้งปลาตัวโตๆโตโตโอีกรวพริกผอดด้วยตองมองดูสวยถ้าที่สวยจะต้องร้องว่าโอ้โหจานพริกพวกเข้าไปแล้วร้องไห้โหไแม่กล้าโผตัวเผ็ดเข็ดไปนาน เมื there, <át stars> ่อกิดได้ดางนั้นแล้วพัชริยะก็รอพระคุณเจ้าอยู่หน้าบ้านของตนเตรียมที่จะใส่ป่าแก่พระคุณเจ้าก็มีหนากาในครั้งใดจุบาร้าจรมุ่งห้าสุสสถานบั้งเพื่พริเีพิโมนเดชามีิโมนเดามีพิโนเดมพนเดชามพนเดมินเดชามนเมีมนเดชาิมนเดชามีพนเดพิโมนเมมเดชามีามมนเดชามีพิโมนเามีานดชานเดชามีเด นี่หออะไรแปลกนักหนกยิ่งหนาก่อทจะบลับกได้เลยเผยใบจาว่ายมแม่สุภัสาไปไหนเลยเอาบากราสุภัาอ่าพัดยาได้เมื่นิ่งแน่วูบอุบล ตัวเองมาใส่ปลายังตัวใหญ่เท่าปาคองยปากคอเกมาโดววใหญ่ทําที่ปากคอเอาอันนี้หม่ปลาเปิดาพันเปิดปลาพันเปิดปาเขาไม่เปิดยังไงปลาแต่ตัวใหญ่เท่าใส่หนักใส่ซ่าที่พุ่งแล้วเอ่เป็นตัวแหญไปไม่ได้เย็บปลาที่อาสาวอะไรตือเก่าอันริกิีนปลาโดหรือป่าคออันตีนตีนปลาคอโอ้อันไปแเป๊นน้พตัวใหญ่ติมเต็มจังเนาะ อันนี้อันนี้ก็ห่อปลารอย่างแม่ไป็เสิร์แม่ถ้เพื่อนไปบ้านใต้ไปเบงยาควยบัท่านกาบหรือฉัจโหลดด้วยปรับ่อตองท่านปาปิกอันหอบเป๊ะๆดีกับปลารสย่างทางไส้ของอร่อยถ้าห่อใหญ่ห่อน่อยฉันแลกกับมีม้นอีมย่นๆเลยเนอะมีม้วนฉันเห็ดเตล่มที่เลยหมือกันชะโนดเดียดนอนอาหารมันสวยเนแล้วสิร์ฟเลยเสิร์ฟฉันสเอ มันนี่โคติยันยวเดียวเดเ่จะ้าัดนี้จะข่าวตุติยันแหม่ะอ้าเอิไผก็หัวเดียวีนี่ปัญหาสิามแน่มีตุรสิามแน่สะเอิญผู้ใดเอินผู้ใดเาเดียวเดียวเอาก็เอิผ้านาหนสะเอิญผ้ายืนี่อยู่สองคนแค่นี้ผ้ากับโยงผัสสเอิญผ้าหนึ่งตัวที่แม่เราเขาบอื่นบัดน้แทบเอิญเอิญธรรมะตัวสนอไม่เอินธรตมะ เพิ่นธาธาตนธรรมกตัาธมคือภาภาคืออริมอบคนคนเดียวมันคือหลายสื่อใชเอาเดียบสองค้มจะบันเทิงอเขาไหลายสื่อดอเขาไปในื่ออะไรแต่ว่าข้าม่าข้ามปาข้ามส่ใจกันเถ้าจันทรเอาเพื่อนวาสงนึ่งเพืเอนว่าพระคันสื่อหรือเจ้าเจ้าก็พอตะบอกคนละเลยขังสิบกสู่ังขั้งจะหน่อยเอังบอกพอดีเอา ฟางกบฟังขนาดว่าจังไดก็หมายมันพาเอ้ยแหละ เฮ้ยเร่ยงเนาะเออสมัคก้มมายศพัฒนาก้มเบาตึกสันหล่สมัยนี้มันก็จะเลื่อแล้วกระเทาเด้ยการศึกษาของชัวทุกแล้วจะนุ่มจะมุ่งเพราะหนาหาพ่อคุนสันเด้รูปร่างตาตากรอพ่อสมพวนป้าจ่าทักใจใจก็ค่อสิงหามไปน้ำสันตัวเอาทนี้ได้ใจเจ้าก็ได้เกินตะมมาหยุดแล้วแต่ห้องสีม่เรี่ยงกเขาก็ตมาเนาะแต่ว่ามียสีบอกวิธีบอกก็พายายแม่เหนือฟังแค่น้อยฟังในเรื่องกระดนรอเลือกทัไ มันมีวิธีบอกกบพระกบเนียูู่ต่างหากด้วทีเอากระธรรมดาเนาะมันมีวีที่ารยบอกก็ผ่าทเาเ้าไหนขนาะเอาฟัง่นเจดอกเพื่อว่าพระสง์สมเน็นน่ะคนอยู่ในศีลในธรรมเป็นที่หนาหน้าถือของคนบนทวาไปถ้่แล้วการก็ก็พ่าก็เนีนข้ากับผ่าหน้าไก่ตามจากนมเสื่อวัดพระจังสัดพัะจังศิลป์นั่งกรเบงถด้นาดโอ้โหเอาเจรจ้ไหนขนาดพระเอ้ย ใจก็เลยตามไม่พ้นตลดซึ่งพรสิบเอกบอกขึ้นว่าทาพื้นแถวหลายที่ก็ของสึเกิดตอนพอเขาเข้าใเก็เมาหลงฟูหลงตาหลงพอสเดทาพื้นท พอเข้าหรือคนเกิดก่นเข้ามาบ้ามาส้นห้กปีผิดไปเิ่นคนาหลวงพ่อหรือพาคนบวชนานนักดทิพนสาขนไปก็ถือว่าเป็นพาเีรักูแก่ในค่ำจะในเท่าแม่บางคนรุลเล่าเท่าเดียวกรบอกเข้ากรซ่าแต่คนเกิดคนมาหลวงพ่อผู้ที่ถูกเกิก็คุ้มใจหลาย่นมาให้มาเกิดผิดพอขอหยังกัได้ง่ายเอินคนถูกหมอเสื่อเสปแผสุดโต้ท้าังไปหนึ่งั้งไขห่า ต้อง่อยเองอาเป็นอัเอากระเทาร่เดิมสีมาเขากป่อยว่าล้วนพีลงหน้าทีเจ้าเจ้าก็่อยเมื่อก่คืบเปดสเว่าจไหนกันรองเอิญไปไปังไงนเอิญมาหลวงพ่อมาจังสีนะฮะเอิญมาหลวงพ่อให้ทั้งพีเอิญขน้นมาหลวงพ่ออันแน่มาแม่ทั้งดิเดตติ้คาักน่าเสียดาก่อนมาแม่ทังดิ้คาทักเทาบกไปถั่วเลยว่ามาเดยวขึ้นอแี่ยวขึ้นเดว มันจะสอเป็นแจสีหวพ่อ right uh, <black> ีเ่เอาเอาของทีดีใส่ผ้าตอเจะมันสิบหกบาทางดีต้องบอกไปเื่อเาลับอกว่าท่านจบสอนจุาส่กัว่าือว่าข้ามเดืองประพาัไปนั่นน่ะมันเป็นากลางๆขวงหลักากลางเออเฮ้เงิลาอาจารย์ หรือพระพุทเจ้าคนเอพราทูกปาทีกจ้าน่ครับมนน่มหรือถูกไปกับ้านหลวงพี่หลวงหน้าหลวงอาดต่ำร่ำลสายส่วนสามาเนนี้กะเกิดจังหาะผเน้นหรือหลอกนิ่งจะได้ทัาข้อเหมอสมเพื่อแสดงการพาแสดงป็นเน้นเอาก็แสดงกปนยน่นเป็นโม้เน้มันถือสนน้าจักกาป่ายเขาลงรองรอนให้เคยให้เคยเบอรังสั่นาเอาห้องี่แสดงเ่าผิดจนได้ท่าเขาวาที่ห้เพราะกรว่างล่องท้อง คนอนบางคจเลื่อนเาเด้อพมาพอนสี่ขอก็จัดการโรคเพื่อยุบัญญัตสุขภาละเกิดจะบปวดนอนเรื่องควมูเสมอจาได้เด้อแต่ได้พ่อหละที่บอกว่านี่มามักย้ยก็ได้งเนี่ยกรแเนี่ยแมันเา่าปวดเอ้าเอาจำได้เท่าเท่าสี่จำได้แล้วว่าสีถามปานหาเนี้เรื่อยๆพอถามบอกมันเดี๋ยวอันตีนก้องๆมันสีเข็นวเออเอาละเอามีม้นเด้อ ฉันเนี่ยเต็มยิ้มเต็มรีบหมดเออหลวงพ่อ เงี้ยฟังแต่คนนี้ก็ดีนลอทมีาันปีาพงไว้รอจกบเ่็เจนั่นเกาไปพสกเบื่อม่ใ่บ้าน ก็นักตกแต่งแต่งตัวไว้ความเงินเงียบเงียบสงบกุศลต้องปวดต่อต้อนทเทียเวีนกรรมหรือไม่ทำแก้วหยาบเปิดบ่อไรเหลวไห่หูสะทาละความ กับสาต่อพ่อดีคงมีเสบบตัมจันต์พันเดียฉันกัมมีเรากรรมสยบุตัตอทหารทง้ววตยตายอย่ตลอดงเดยฝนาสมุเอกได ไม่ไม่หวนหวเออซึ่งน้องคนนั้นตลอดไปอ่ะหาบังคั t เก็บกับข้อข้อตลอหูหเก็บเสียเพื่อจะเสียเป็นนาจอมันเลยก็ใบหัวหน่วยที่คงแต่เกจึงพิษ วัวก็ปังรังกกังหอหลักล้อมจันทรดเก็นหมอเจ็บเป็นหอยขอความปวด่อเสียวไว้บอตามเออเขาฟังใจกนางการดึงสื้กัรบ่อยกักกรรมรูาสักตาแสบต้องเรียนหอยจะมูนกัน ทำได้กี่หม <hab Heck> ู่ลางเหแกีเดตัวว่าป็ลจากกันกกันท่านบอสันท่อสัสมเป็นหารข่นออเแกเดนลมาีพอจะลงกันได้างางซยสงสาตง วันสายจังก็กายวันลงได้เอาแล้วปัดเดียวแล้วปัดเียวในนั้นขางน้องโอปปี้โคเนื้อสเมีลปิงบาลนาองทนิ่งมากน้อยรเก็เสกันหัวได้ ทเล่าทำรักแรงด้วยผู้คนหวั่นไหวนัานโทษอกกันไังไงมาสมห้วานยูชนะสารถยันในของที่พิจาราผู้คนทัตำตวายท่า กรรมน้องนองน่งเรื่องทั้งคำบนเกาะหักทำไแต่แต่ยังคอย เจตนาโยติเตตนาหนั่นแถวเจตนาเป็นสาตรระสัจจะประถึงแน่แก่คนแกงไม่บุนบ่เป็นบุญก็คนแร่น้องนแกเรล้ยงแนท่านท่านท่านท่านท่านท่นท่่ทาน่า โยแม่ศิดาตัพระธาใจหวในแกงการเราทั้งเฮไม่ใจเรตั้งเดอดลียงมอมจ้ใจต่อมเหนื่ยแกงปะจอดมาเหลือไว้แก่บ้านโดดเดี่ยวเียงคนเดียวเดี่ยวยังจะตั้งทังโดดความเราก็ ก็เอะเจ้าว่าอยมินต่างกันก็ได้ก็เล่นใส่ก็ทิ่มเท้าไม่ใช่แล้วอาเอาขเ้ายังแทงใส่เพิ่งนั่งดันเหลเอาินเแต่ทนนั่ น้าปรีสกยังจะล่าเรือสวยทำเสงบแกงตาพอี่นีกน่าจแงลอกางหอกหลงแก่บ่หลังค่ สิ้นเลยตัวสิ้กะทำเหรอว่าอยู่ไหนเคยเบื่อจึงแกงท่าสามกะเบื่อทำให้เด็กจะเตียนต้นหายอะไรเราไป ม, มาเกตนนันา จะบากะเล่นตอเห็นทีของสนอง้ามีกบ่อตอเหนบอของเสียใจเรามาสัตยายจะกระทบจับแน่ใจ ใจเรื่องเงินฝืนนั่นเป็นหลานปวดจอดีผมเด่นหน่อยเพราะสมตั้งมาแต่งลายใจก็อยากให้ก็น่าหนาทัดใ a ก็ปองสตาร์ผู้ใจสตาร์ทั้งัพน้อยที่อดีตดีลล่าเกินสูงบนได้แ่หัวใ บาละลัยานุงแดงเพื่องในทางวมัวกระทิ่นเออใจเันใจสะอาดเชื่อมาโนมาคานิทังโอ้โอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอ แต่การมีดอกีลลาล่า้วยก็สนใจตั้งนามานุหมายตั้งวต้าม่รอจิ้งแหลี่ยมหแผะแวบ้างใส่วดตาอ้เพก่นเดดไปปุบปาป่าก้าาบามาอกปุบผักมาข้ามาตะมาคำนักหนักมียืดใจเป็นหัว้า มนุสตามีใจประเสริฐจรงมนมนุษเสมอนั่งพอดีสำเร็จด้วยดอกใจจริงอาณาใจเราคงเที่ยวกันได้ต้องเอาไปทำเอาเอา อกำลังของเราให้เราทำาอยู่่ทำุกเจ้าแ่าแม่ศูนย์แสนสาระเด็กน้องก็มาพอประเจ้ารักษายีไปมากเถึงงีเอวันที่ไม่ดีก็ กย่าณโมหินั่นแหละ เกิดกลายโกลเป็นประลาเกิดอาพาธเป็นสืดุ้กร้อนในกายาจึงไม่มาบินสบายคาไปหลายวันตาใสชั้นถ้าเพื่อนระอกระทังไปสองสามวันต่อมาจะได้หายเป็นปกติต้องเั็นสินสมาพิธตามสบายต้องมีน้ำกลาดล้างตาเทสารพนวานทีเห็นดอกเบญนตนะ้ำลายน้ยเบนะอมก็เจอตองนะ เอาโวดยืต้องไปตามเรื่องพยนก่อนไปตามเหตทีในยีดอกป้อนกอปัะกรรมจอสีกอเงาอ่นะละบัวปั้งเอ้ยเกะพนาดอกป้อนเบาบอนเงาบาสีบางโผน่แล้ว ก็ดีแดียวกระนนตอนนี้ก้าลุกใจว่าแกี่ยวบุญเอาเฮือนทาเมีนับต่างเ่มือนั่งที่ใจสั่นปลาเพื่อผ้านั่งก้อนแม่ไก่ออกจากบ้านั้ำตาลสร้างในการคิดเบียดตาฟองในตอเียดแดือเบ้งเงืนกสันไละข้ามีไกเตือนอย่างแม่ทาบุญยาได้ขาดใส่บาเท ด้วยตางสวยกวย่กุ้ตนวิด้ตในตอนนี้ใจอยสังพานดืนได้มองบนดอกเกืี้ขจังในตอนมองสาตาเห็นบ่เห็นเรื่องเมีลเยียนใจทรงหักผาสู ง, วงกว่า้าคูป่ใจคิอยู่จังสี่แม่เดียวนี้บเ่เปียนแปลงนาัวปัง แก่ใจบาดระแดวใจนำคำโูรานาหัวรอนัสาใจไปคาเตะสามสี่มือเราไม่เห็นสลวงโควต้ามาเ็บตับาหาบ้านคอยนี่เกนก็ไครบ้างเห็น มเร็งกระควายสงสัยสันสากระเบอืบอเพท่านเบื่อคือเมื่อนี่็นเนื้อที่หาแล้วืมพ่อนี่เือที่หา่อ้แเมียกับท่านกลับมาอยออู่เนื้อแพ้เนื้อแก่เด็กไขมักเอือกกระวายบาดตนี่ก็สิไปเ อ, อิหมูไปดุยมักขิงสิไปสร้างเหล่าสร้างเียมายาทหาร แม่กับขึ้นมาแต่ลราไปใส่ีของคุนเอาเองนี่เอาให้มันเทิดเพิ่งเป็นเจ้าไหนพระเอ้ยโอ้โหนี่น่าตั้งใจได้แก่งใส่บาตรพระแล้วใจนำนะคำอุรา จริงตองห่อจากือือสี่ปากนันบ่อได้บาดเห็นไม่บ่เม็นป่านะเราห้อยเห็นตั้งเต้บ่อกามาอีกได้โบภายนะหลักหงสี่อายห้อเห็นเดินดอกพานไก่มาจอยนะจังแมนสมใจคอยผู้บกปมคอยขัดนี้นับต่างเต้มื่อดีสี่เบิดเสียนนะเสื่อมใจแม่ใหญ่อือือ นี่เนื้อแพระมักเอื้อไว้มอบับบใหญ่ถ้าแกงเผ็ดน้ำสองสามวันภาการเดือดสูสหายชิ้นเกียงมือที่วาสิ่งในมันเสียงยางแม่เพื่อนบาดใจเกิ่ยเอามาตุ่มให้บวกเกี่ยงดำลวงผู้ด้ยาติตาสุราเกศ h uh now. -huh. Uh -huh. สูใจจงสิมีสุขลวนสุขเร้องคนก็ว่ากินไนมันจิ่งอันนีมีกินจะได้เบื่อนี่ละน้อเปินกระยัน่าทองแต่ดีกว่าอาหารเหลือคว้าไม่บ้าจใจกิสีะได้บางแร้วบางมีสุขสภา แต่ตอนกี่แก่กะน้ำล้นเกินตัวกินาว้าเบิดมทั้งความก่เหมอนส่อ้าวกินบ่อกินหนาบอวาุงเ่ากินบ่เากะจแตแตจามมันก็ห่วประมาณทแงเจ่าพอง้ย แก่ตับใสใสพุ่งแก่ใสสะพาน เก็นะเออคือกันกับพี่คนเอาใหม่มาตามเออตึ้บตุ้งตัองไมันคือเปลนจทกซีมาคือแสบใสสบพุ่จนยังกินพวเค็กันไหนนะแตงอก็คือคนเอาใหม่มาตีงอนโต้ไป ที่บอกระดาบปวดหวัวไม่เกล<า> <c oughs> ียวเดก็จะเหม็นไปหลายเบอเดียวกระบปมาบ้านมาส่งจาา <c oughs> จะไหนบ้านาดีกันสิไปฮานุไม่โมีเงินโอันนาไม่เงิ <c oughs> นตากเยากระเป๋ข้างไปที่น่เลย ยื้อกันราคาดีใส่ดีกองพูนเดี่ยปล่อยผ่านแปดโอ้นเนือขัวอยลาว่าเบื่ฟังไปสมานเนนทองมาเอ ดาวตาสูสวดเือเจ้าความหอกน้ำด้วยจางแม่รัสวยแต่น้ี้นิ่งแค่บอดียวเอ้ยกินมาทวงงานบัวปางเอ้ยต้มอาสูหมูเอ้ยละบากแับทั้งป่งดอกที่เผาวะ มือนี่แกนยกเก่าหลายกว่าเก่าเปียเหนดหรือมักน้ Thì nữa buồn là miền quê ta lối xa cứ chỉ h ằ n thì buồn là đầy ngô l a hoành t g cát c h ả t o à n cơi n ô n ư buồn n giang tây bờ đầy chỉ hài n ò n i เงี้แปดเดือสมันตอกันดือเดือพราะกี่ควมวยความเนกุยอื้นก้าือเปรียกันเรียกแกงลาบก๋วยซอยจำบาจิมความมือีีความตมเห็นละเือเราเกินสูิอันใด อย่ามอแก้เลยถ้าอยากแก้เจ็บสองไม่ไหวจะปวดสนาดนำแดดขาดน้ำเขา ฝี่นจากกับวัวหิ้กินนสมบาติบานเนีวสมเทพเป็นชนะจบของเจ้าโอ้โหีินัดนใดสีล้างลวกอยู่ยามดอกขางฮวนิน คนเกียวอยู่คนเดียวได้เอาอ่างผัวฟังเอ้ยนางกะบาถอนน้อนกะบาสรงใดคือสิใครผัวใหอมราเที่ยวไปกินน้งแต่น้ำกี่กอดแม่กะปั่นกันสองสา ื้นคับก้าวไปเราคืบ้าน้ำใจเ้ยาะบานทัางเก็บของแต่มองหาที่ทอดเมียนหรือวายาเบื้นเกิดเจ่ตายแทเถอะทีเรียน้ำเพียรจงไดระบาดนี้ผู้บังเทศนาเสียงงามซอยเนบียงคุณยายเออ พี่เล้คนสมนำหนาคอยโอ้ยคอยเป็นบ่าเป็นกรรมโอ้แม่ตูคอยเป็นบ่าเป็นกรรมคอยแก่เอาศาสตรกระเบือใส่บาทในหลวงคอคอยกัะลาฉาแพ้สววที่แม่วไปซื้อมาจากตลาดคอยเช็บใส่เช็บ เจ็บฟอมเจ็ฟอมเจบใจก็เป็นพวกเราไปเอาแบบไปต้องก็บพีเขาหัวหลวงพอบบาดอย่างหมดเก่านำท่านสการนั้นนำกลมมวยบอลเดอ เจ้า่อมีเด็่เก่ป่าซิวโอแอนตาซิ้นเด็กมีกับ่ไผ่นากมีกับ่อไผ่บ้างป่าปอุยเพียจังได้ระบาดที่กู้ฟังกีสนาเสียงซอยในเปียงคุณยายเออ ตพื่าจดอกแค่ซอน่ยากย้ำดีแกเจ็บตองผู้ใดนี่ฟ้มาอนโอ้โแต่จาบอกว่าไม่ก่อนตังซ้ำสากบเบื่อไม่ได้บานน้ำแดงนั่นดีมีบ่เมยให้ได้เดียวอ่ะภาคหนัเียวโอ้ อาวุธอย่าละก o บคนอื่นยาตากรับกลุ้งจิตนี่จิ๊บปนี่จิ๊บ แม่กว่านาซีสิพี chi, hàng hàng, ่ซ oh ีซก็คืมาแล้วกันงูนั่งอย่างี้แม่าเลยเฮ้ย้าจะเอาซีบีทางหามาจีบยู่งเลยโอ้ น้ำดาวมูยาละสะกองยาสะกองกับลูกศิษย์นะนตาศินจมบ่แม่เกศเกศที่แม่บ้านอ๋อสิโคเจ้ายังก่ออัยขวิดีน้อ เด็กว่าไทยจะลุกได้เต็มยีจบมาบอกก่อนทีเจ้าไหนกระดี่ไปได้ฮะนว่เข้าสวมข้าสวมแนวโหลหนึ่งอเ่เดียวลายโย จะหาเปียนหรือว่าเวียนดอกตามตื้นเมียก็ไปลายมือบอยนักเพื่อนกุ่มกุ่ย์พือนปากไปอีกลุ่ยลดสวยเยี่เพ่อไปแล้วเพื่จะได้พูุ่มท่านผู้ฟังทีท่สาธุชน ต้วนแต่โขนใจบุญหอกแม่น้ำหอกจำจังลามาตาลังเือมามาน้นอนสูงสงวดสูงเดน่อมายอมเจ้ากูสูขุณราชะเอสาดอแม่สนนักเเจ้าบในสงใจบาดเจ็บใดก็เจอลือ ใคยนำที่ทำคุณนำกล้าวันนี้เปลีนไปดุนกระน้องใจบ้าดินนำไร่ปู่คนตลอดสินดึงดูเราแดกนำนำเลยจากไปนี่นั่นตาสิตเปลี่ยนแฟนเกียร์นำตอนนี้ยังว่จะเชิดคือกระน้องหวงมัวดึง ล่ะโบ้ตัวตาซังน่ะดอกเบี้ยกัน u ็ขี้เอามวลลูกเดียวดอกราดีน่ะลึกลื่นดอกคืนบานน้ำตาดอกดื่มกัน h ูดเจ้าก็ขี้ขาดนะใครที่มากะเจิดตุยนาตุยนลกเ ยามชื่อประตูจอยนำจ้างแม่ไปสิสั้คอยว่าสนใจชื่อเจ้าจนสีฟ้าส่ํนำนาพอเชื่อมาปากปล่อยนำเจ้าสีสาเด็กหน่อยกะเล้ยวเสียสีจอมถึงมาดูในใจเลืองนันตากันเป็นฝันลอยอ้อาว่าแล้วปล่อยมาเพียงดีทอมล่อยีสาวสวมกอนนำ อยากนำเมล็ดเดืาดนาแดงนาเฉียวนาขาอว่าผองชาวบ้านแข็มกะปอปนปอปนปอนซื้อเอาเองก็ไดตัดใจญ่อย ออออจากนั้นพระิยาภุมานก็ได้รอนอนรอผู้เป็นมารดาด้วยความทรมานด้วยความกระวนกระวายแสนทุกข์ใจทรมานอยู่ที่บ้านท้องตนก็มีหน้ากาเลครั้งนั้นเลย ผู้ชรามาไม่ทันได้ดูใจแก่ได้ตายจากก่อนนั้นแล้วจึงเพียงมาทันแต่พิธีเผาฝ่ายญาติก็รบเราไม่อยู่ช่วยการงานตักบาตแล้วจึงให้กลับสู่สถานบ้านของตนแล้วนางจึงลาญาตี่น้องกลับสู่บ้านเมื่อมาถึงแล้วจึงเรียหาลูกชายของตนด้วยความเป็นห่วงออกไปว่า มันไปใส่ข้อจัมพารูงัสบอลมาซานก่อนมันเปนหลอกเราแทเยอะโบ๊ทเยอะแบบยอ้าจุดจุดจุดจังใจอ้าควายมัาเดือดร้อนอยู่ใส่เราดีเสียงอะนะอยู่ในห้องอ้าต่เมียเด็กตอนป่านี้ไปอยู่ในห้องแค่ไหนก้างห้องไปตาก้องก็ได้เบิร์ตเฮงว๊ะ เขาสวมต้อง้องเจ็บต้องเจ็บต้อเน่คนนั้นเจ็บกว่าต้องสุ่เสียตกระมานเจ้าไปหนาจะเหนืนนั่นขึ้นกะอยู่เห็นห่ังโดดเท่าหนาเราบอกว่านมานคือน้ำเจ้า บาดก็ดีแต่ที่แกยางค่นตายก็แล้วแม่ไปพอบบาดคนเขาตายแล้วว่าดีแลวเขาแล้วตาปากแล้วเข็มหยกยาแล้วมือเสารมเป็นกัญาเด็กกลับมากเด็กนาท่านก็เป็นปวดแทบจะว่าช้ำเด็กตีแล้วเสอีกนึก มาแั้มาเป็นกลุ่มเป็นงงนมาจันใมาดพัดกว่าจะไใ้มาเกลี่ยจันใดบอกว่ามาบ้านกว่าวดจะนเกียเดวจะเม่นบ้านเป็นตานายแม้เฮ้ยว่าเป็นผมนั่นสีตายซ้าจอยลูคฟองยางจังเขาสวนชิพหาการกึนหลานกองพอขนเลยล่ะจนบนี้เนวเหลืออยู่ย่งขัทอง พนกนี้นองหาอยากินก็โบฉัวกันจัดแบบก็อากคนไปพูดเลยไปซื้อยาแม่ครับด้หาซื้อยาแก้เจ็บฟ้องห้ผมกินได้ครับเนี่ยเอาหอยอยากทำปาจำใส่ถือโรคผ้าบอกไปวาอยากยังยังสิดผิดเคยใส่เอาหอยมาลูกหวานแม่จะมาถามมาสอนยากยังนอสิฝึกฟองกันยลกว่าไปปวดท้อง ก่ยาเกลี่ยปวดท้อมสั่ตัวหนอนมันจะสีเศร้าแต่ว่าคนปวดทอหางปวดทองเดสแต่งจ๋าแดงบุญป้ามบอกผานต้นปญาอ่อนแต่วนี้ใส่ใจแต้ยังอยใส่ตส่ซักท่ไหมาใช่ไินใส่ยังตากพี่มื ด้วยใจเย็ย็นลูกหลานเลยกวนสีหายสื่อยาแม่บอถามสาเหตุสาเหตุเจ้ากินยยาปิดบัความจริงบกไม่มาให้เบิดเียเจ้าไปกินยัเแทดสองสามวันแม่บอกยูลูกเอยบอกสาเหตุเลยแม่ยาแก้ก็ยอมมีสัตว์ตเจ็บต้องปวดท้องกับมีหลายสาเหบอกสาหตฉันก็แนะนำชื่อยาถือเนาะ ก็จะเกี่ยับใพหลายอย่างนีอย่างนะแม่ครับไม่อย่างไรนี่ยุ่หาบ้านมีกวดเหลาวดเนี่ยเถอะโยัดเต็มขวดหํามันวัวตาละโอ้ยอย่ามาจะใส่กูหรอกไม่เี่ยวเป็นเปลีอยปูป่าก็บพ่ีพ่อดีมีแต่มสานแบบแนวเดียวพ่อาเมื่อแรกลาได้ปล่อยทั้งปิ่งีไ เนื้อที่เหลือมัดแซวัยหมอบกระแก่ตะแก่เพชรมือหลามมากพู้กำจัดในเขตสุสายกินเกลียงกิบเห็นเที่ยงอันเดียวดีม่านสามโซ่สิน่ารักๆแม่อืดนอกนันผมมีนางหลายดอกเหล่าแกดล่างเสียหาล่างกินแกลี่ยไหลาประได้ดอกแค่ใส่ดีกอสุ้นในปัิยานีเมื่อ ข้าวไผไม่ใหญ่เลโอ้กินหลายหลายบาดบูไตยแต่กมีข้าตุ๋นเหยียบหกเกาเบาเนี่ยสิน่าวซ้องเสียแล้วยบีเน่เอามาเยียบกินเกิดไพ่จริงแข่หลูเอ้ยเนี่าม้าสามแหวนแต่ใส่มาเรียมูต่างว่าสทีมือกินแท้แท้ยานเหี่ยบเถไม่เห็นแบบเหนท่ครับผมนี่ขอโทษเจ้าที่เว้าลายโก เมื่อนั่นเจ้ากเห็นโผมโยกกลมาเป็นมืนตื่นอยู่นั่นนี้ผมนำตัวเจ้ามาไปหาสื่อเข่ามากเพราะอาจารยเจ้าตาเจ้ากัญญาในน้ำเหลืองของยาบอถามสอดเดินหนีเลยไปสามตะแตอนง่ายอันเบะตัวนี้นันมาหนีจาก่ายเข่าโม่บอเข่าโม่ท่ำควร มาเข่าสวนกินของก้นเบื่อจะหล่นมาฆ่าเข่าจั่วเพราะผมหิวเข่าจนตาล่กระเลยเปรอะกระเลยลาก่าแปรอกินแต่จั่ว้ามาตลอดแมวขอโทษได้เรย ตลอดวันวานเย็นตะลึงแสงปุ่นใจกะวันรุ่นคนตาถ้าสัมมาพระินทร์เจ้าทงใส่รุดีราดิ่งเกมาโน่นนั้นกะวันง่วงปวดโซนิเอว่าราดิ่งเกิดเปลี่ยนมาโน่นแล้วกะโจกใจมาตั้งก็มีมนคนผ่านในเวรมาแต่กะเป็นคนใจ เราจะมาเี่ยมใครคุ้าคันใจรู้กังวีนับนาจบัดเสด็จมาดยิ้มมีเสนาบดั้นเพราะสนามจะสั่งกวาดนกกำห้องคอยนที่ิปนผู้เลีาพิคา ไปอนุม่ได้มยเจ็บสวดไม่โอตายโอตายจริงเะอแแ่แ่่งแ่่ง่แแ แานนนาอยงตัวอาพี่น้องันุันซอยัญาบ้านหัไอ้า่็ชน เินเอบอยนมอ้ยอยโ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโม้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ย้อ เรียนสงการนะักดอตอีนี้ ถี่้าวสี่เป่าตาดเอยอยู่กับเจ้าปีนองอย่างนี้น้องคนสร้างเดินลุกโยกนใหญ่บานแขมเดินสี่เฝล่าไปหายอยู่หายยากดทอนเอายาหอมยาโอดเดือบลอย่าจอะตุนชนทั้งหลายในขณะนั้นทัศน์จารุมานเราต้องทุกข์รามานหลายชนทางางสัดกลบสลไปไปในขณะเดียวกันแมุ่บบัา เราก็เลื anyway, <mark> amos, ่ดนไปหายมทายยากขึ no. ้นพ่อพ no. <Sa> ่อภา้ในเรากต่หลงคอใหญ่ทีที่วันวันเลื่ไปเรึกษาเรื่องกับน้องคอท่ามาป่าละเพ่อนก็บอกว่าโอ้ยใยญ่เลยหนูเขายอมไปตายดอกมันจะลงมไปซื้อดอกถ้าเรื่องอะไรกังวงใหญ่ก็บอกฟัง คนก็บอกว่ามันเป็นเรื่อเกี่ยวกัาก็เองอยอกกับทิการปมต่างแน่่กรรมที่เราสาบเบื่อไส้บาดเน่าแน่เพรเป็นน้องซ้ำนี่ว่กินยาลงไปซักหน้นอันเดีนวลวมาทั้งป่าลาครได้กลมาสู่บ้านของแม่สุบรรท่าใคได้มาพนยุกค้นยาให้แกสุพัาคได้พื้นพื้นมาเมื่อสุพัฒนพื้นพื้นปแล้วในขณะที่เธอสรุปพระิยาใ้สรุปสลดยไปนั่น แต่เกิดที่มีความฝันผุดหลังแล้วพอจแม่ฝันฟัอะไรไปขอแอกตบแก่ผอสากในสุกในซ่อนแต่ย่อยู่มีบ้านนั่งไปก่อนแล้วเราลงลงไต่พ่อนราแล้วไปกับเพาคเปไปสู่มเมืองสบายหมัน กาได้ไปเห็นปากคอไงแล้วแอบมองซุบเรื่องหูหูอยู่ซุบะทาหิวไหลอยากกินเย่สาธิตาหิวไหลแต่เลยสิขอกินแล้วไปกินว่าอันนี้มันเป็นของแอมึงิดาน้าสหรับสองคนก็คือากับเบือมึงไกินาวังสี่เอการท่พัทยาเลยขอโอกาสจาก ญาติย่อมมาราชคนความต้องเทบถาว่าต้องพอบานที่ป้าไปเที่ยวชมนรกสวรรค์ป้าเป็นมองแม่หลายว่าเป็นมองแม้ไม่รู้เรี้ยงดูจังทรงพภะติยาขึ้นถึงมาก เ่มองมาแล้วหลวงพ่อใหเลยให้โบบาแนะนำพัสอนแล้วก็สิให้แกปัจจัยที่รวมเึิใไม้ดในช่วงชุดท้าพ่อคนสิ่อชุดปัจจยังใหญ่อดอยเชิญย่อมกอยแม่เรางนอเซตเขาจิตไปฟังสมบูร์ให้แหนาก็่อก่ออืมัน ยี่ดังเร็วมากก็มองแตต้องชื่อาสิผีเราไปต้อมองในใจวุ่นนี้เกื้อก้าต้ไ้ญ่ัใ ไปทอดตอมันน่าอันน่าดีนั่นล่ะคือเงาบ้านเหมือนเชือกคุ้มใ t ใจลวดเล็กแกมเลนคนอกบัวาเออมาจาาม่จงนะ เราคิดมาเรหัวตันแค่เียอาไว้เดียวแล้วแมตนนี่องค์ทานทำบาปบาลาแล้วบาตรีจึงแต่งงาั้งจากตอกมันงตนแล้วบีก็ตกุมันนอยฟังแสดงเอล มาลากันต่อต้องร้องไสิเบาเพียงหุ่มกลายโอ้ยคนราดีนับบ่่ใจสนาบสสโสทถ้งทั้งจะได้โลกกาณาคายเราไปหลอับโล่ก็เป็นสัน แกเป็นสักดีเป็นเสด็จพระอาจารย์ตั้งในวัดเมตตาสังฆสินน่ะเป็นพระสะกตังต่อบริสุทธิ์ลาตั้งนพระเป็นวัดมณฑลใกล้เ เมื่อลาลากหกันเข้าไปทาใจสงสงใจต้องคุ้มการสิ่งต่างต้อคือทำหนังหูเขาเออมาตอนนี้มันก็ มาทอดีมันกาเราแก้วใจสวงอ่ะุ้งใจต่อดมาคนละคนต้อง่ายอดใตังมาตราตรอกน้อาจังไม่คิดเดี่ยวหรอมาท่างกองแก่ว่าโดยสารทุกมาบ่ดือนา ทรงละคุ c พระทรงกันองค์มาญาณวันลึกละบาลงเกล้าบ t ตรประสานเราเป็นเกิดกับบาตรบุญนุงศีลนั้นสบมาเราภเจ้าเจาเป็นพระุอุปธรรมอุปถามเเนบุรีอุยชั นันละอล่าอ้โหโอ้โนโอาโหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหนอ้โหโอ้นหโ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้้โ้โหโอหอโอ้้้อ้้อ้โหอ้อ เพ่งตาติสอนฟังในท่านติจารท่างไปหมาดก็จงทำให้ท้องเราถอดล่ะบากให้พนันแต่ละ้าสมาบุญเสด็จเงียบแค่หุ้นเป็นจังสี ขี่ปวดจนห้ามยอดผอมคือสายโศบม่วงคลอนุนความกนหน้าต่างใจ ต, ตนคนงานเด่นประจักษ์ปวดจดต่อให้มันคาคาประเด็นคงเห็นมูอย่าเรีหลังาสูบ่มีคู่ว่มีบาทท่านประมาททางภาคสังางของบาตายพันแย่มาดีคันไม้าปากคันเสียศีลไม่ถึงตบตนใหม่กพราะราชบารเตือนสอนสามาจรยเรียกท่ากอดแยกตอนท่ามัุ้งา เจตพระยาเถิดหายเติดร้องไปประนันกันจากมหาพิภาตภูกระพันผู้สัญหาเรื่องอีนทวีห้เทศสนาเจ้าวาระทั้งสามเจ้าดีอ่อนลาตอบำบามาเกอนสอนขอพระคุณผู้เกียรติอนกรเสนอส้องให้ จานมาหาพิภาคเกิดกุเคียนมาไหวเกิดเมื่อใจเหีเ่ยาตื่นเจ้วาวราชานั่นสามเป็นผู้เราปากพื้นแสดงเรื่องต่อเสียงจ บ, บาทบวยบาดนเบื้งบองเสียงสีไวล่าล้สิขอผมนิท่านไขไปแต่พ่อเพียงนี้คอยมีสุกบนหมดทุกข์เจริญโชโรคกายมีทีกายพานบ่านกนยายพองเมื่อหายให้ภายพัง สุบวชว่านประเสริฐอยู่อย่างม่านแน่นั่งสนองสมแต่ปองมนหมายเจตจำน้อมประสมไวยุคนพระไตรปิฎกปองความศพ้อนนั้นเลื่อเลคืออาจอยู่วันนาสุขาภลาขอให้ให้แกเก่ยวุณยม่งเก่าโบราณเถิ่ับเป็นอลรันิทานเงาบาปขออย่าม่นอก ยังลงไปค่ะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเพาว่าเหตุแล้วน่าเอาขึ้นก็ได้ก็จะจาต้องนำไล่ต่อไปอักแล้ว บาทเตยเกลือถ้ำกำตเด็กเกลือสาจำนำตระกิยากูม่านเพื่อาีเป็นเรียบหน่อยแต่ว่าคันเด็ดังเด็เฟืเพราว่านิดหน่อยผู้ใหญ่ละนั่งพอโยมแหนอขันเป็นเรียนอยก็ต้องตอกกระสอบต้องเตีนําให้เข้ารูจาปานีเป็นมัปาอนั้นแตเป็นปนเป็นพุ่นเป็นโทประโยชน์หรือว่าไม่ประโยชน์ก็เมื่อน้ตัสาราแต่กาส่วนมากทกร้งเสมอก็เพาเขาอยากฟังค่ะเดรเ เป็นการสอนทีเข่าเลยส่วนนี้เนาะเอ้าจำได้กัเแล้วแต่กาที่ว่าเป็นกาที่สนใจกันแล้วกันเนาะนี่ท่านทามาเรื่องเองาบากตอนนี้ทีน่าจะจบลง